ขอความสุขความเจริญจะมีเดท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงทําจากมหาวิทายาลัยศรีประทุมในวันนี้คงพูดเรื่องสันเลกสูตรในช่วงสุดท้ายวันก่อนได้พูดมาถึงช่วงที่ทรงแสดงว่าความเชื่อมีไว้เพื่อดับกิเลส ข, ของผู้ไม่มีศรัทธา เรื่องศัทธนั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่อ่ะคือศาสนาเป็นเรื่องของปัญญาหรือศรัทธานี่เป็นหลักเราจะเหนว่าศาสนาประเภทเทวนิยมจะเน้นที่ศรัทธาศาสนาประเภทอเทวนิยมแบบพุทธจะเน้นที่ศรัทธาที่กำกับด้วยปัญญา ปัญญานี่จะเป็นตัวหลักแในขณะเดียวกันถ้าหากว่าศรัทธามากเกินไปก็จะงมงายได้ง่ายแต่ถ้าปัญญามากเกินไปก็เฟื่องได้ง่ายเหมือนกันวันศรัทธากับปัญญาจะต้องเคียงคู่ขนานกันไปเขาเรียกว่าเสมอการปุจจามสงฆ์ใช้ว่าศรัทธาสมาปัญญาสมา คือมีศรัทธาเสมอกันมีปัญญาเสมอกันแต่จริงโดยหลักปฏิบัติแล้วก็ต้องเสมอกันห้าข้อนะคือสี่ข้อหลักศรัทธาสมาศีลสมาจาระสม า, า, า, สมาแล้วก็ปัญญาสมาก็เป็นหลักธรรมที่ทรงจำแนกแสดงไว้ในจตุการนิบาตเนี่ย หลายสถานะด้วยกันร <mean. S 1> พระตมองค์รมแล้วก็เป็นผู้นำคือเป็นตัวดึงดูดกุศลธรรมเหล่าอื่นให้เกิดขึ้นติดตามตัวมาอีกเป็นอันเองกันนั้นก็ต่อไปรับสั่งว่าความละอายมีไว้เพื่อดับกิเลสของบุคคลผู้ไม่มีฮิริคือไม่มีความะอาย หรือจะเปว่าตัวละอายเนี่ความละอายเนี่ยเป็นกุศลแต่ฮิรินี่เป็นอกุศลไม่แปลแต่ว่าอะฮิรินี่เป็นอกุศลก็สรุปแล้วก็คือตรงนี้ก็พูดว่ามักเนี่ยมีไว้เพื่อดับมิฉามักหรือว่ากุศลมีไว้เพื่อดับอกุศลแต่พูดถึงอกุศลในจิตคน แต่ตัวกุศลนั้นจะพูดถึงสภาวธรรมที่เขามีอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาของเขาเพราะในขณะใดที่จิตถูกควบคุมกำกับด้วยอกุศลก็ต้องใช้กุศลเป็นตัวสลายธรรมะเหล่านี้จึงเขาเรียกว่าเป็นปฏิปักษ์กันหรือเป็นขัดึกกันไม่ปรากฏร่วมกันในจุดเดียวกันในขณะเดียวกัน ความสะดุ้งกลัวต่อบาปคือโอตตปะเนี่ยก็มีไว้เพื่อดับกิเลส ข, ของบุคคลผู้ไม่มีโอตตปะคือไม่มีความสะดุ้งกลัวต่อบาปเขาเรียกอโนโตตะปะไอริกะอโนโตตะปะแต่ตามปกติแล้วเราก็เป็นภาษาที่ใช้เรียกหนักในด้านอภิธรรมคือพระสูนนี่ก็จะเน้นที่ตัวกุศลนี่มากเพราะถ้าหากว่า ร้อยกุศลเกิดขึ้นได้อนกะุศลก็เลิกพูดเพราะว่าอกุศลมันจะดับไปเองแต่ในที่นี้ส่งแสดงเป็นชุดๆเกิดนับแล้วถึงสี่สิบกว่าชุดความเป็นพระโหสูตรมีไว้เพื่อดับกิเลส ข, ของบุคคลผู้มีสุตะน้อยคือการศึกษาการสะดับสับฟังน้อยมีลักษณะการเน้นย้ำไม่เห็นว่า ก็ก่ยวจริงก็ถามประจําจได้ไหมมันก็จับไม่ได้หมดในภาคปฏิบัตินั้นไม่ต้องพูดหรอกคือปฏิบัติให้สมบูรณ์ไม่ได้พรอแต่สมบูรณ์ได้ก็เป็นพระหันไปแล้วนะธรรมะที่ส่งแสดงทั้งหมดเนี่ยหรือใครก็ทําได้สมบูรณ์ก็บันลุแล้วก็อต่อไปคือการประลบความเพียรเมือ่อมีไว้เพื่อดับกิเลส ข, ของผู้เกียรติคาน เพราะความเปียนเขาเรียกวิริยาลัมพะคือการริเริ่มการปรารบการกระทําความเชียอความเพียนตามปกติแล้วจะต้องมีลักษณะที่ต่อเนื่องจึงใช้คําว่าอารัฐวิริโยวิหรติคือมีปกติอยู่ด้วยความเพียนความเพียนก็ต่อเนื่องกันไปแล้วมันก็จะดับความเกลียดคร้าญได้เพราะว่าในขณะใดที่ความเพียนปรากฏเนี่ยความเกียดคร้าญก็จะถูกกลับไป ความมีสติมั่นคือสติที่มีได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มั่นคงเนี่ยมันก็เพื่อดับกิเลส ข, ของผู้มีสติสัมโมสาคือหลงลืมเลอะเลือนเพราะขาดสติก็ความตึงพร้อมด้วยปัญญามีไว้เพื่อดับกิเลส ข, ของบุคคลผู้มีปัญญาสามปัญญาน้อยก็ได้ปัญญาสามก็ได้ แต่ว่าถ้าเราใช้ปัญญาอ่อนเนี่ยมันก็คือสื่อสารแล้วไม่ค่อยเข้าใจกันก็ที่จริงปัญญาอ่อนมันก็คือปัญญาน้อยนั่นเองอย่างคนที่เราเรียกว่าปัญญาอ่อนก็คือปัญญาแค่น้อยปัญญาจะเกิดขึ้นด้วยการประกอบไม่เกิดขึ้นด้วยการไม่ประกอบปัญญาตามปกติแล้วก็จะมีสองช่วง ปัญญาที่ติดมาโดยกําเนิดในรูปของปัญญาบารมีเนี่ยท่านเรียกว่าชาติกปัญญาจะมีมากหรือมีน้อยมีพื้นฐานในเรื่องเหล่านี้แล้วก็โยคะปัญญาปัญญาที่เราประกอบขึ้นหรือกระทาขึ้นโดยระบบการศึกษาเรียนรู้ด้วยการคิดพิจารณาแล้วก็ต่อการลงมือประฤติปฏิบั ต, ติถ้าลงมือประพฤติปฏิบัติอยงก็ชับ ช, ชัดเจนนะฮะ คือตามปกติแล้วเรามักจะไปยึดติดในรูปแบบอย่างยกตัวอย่างไว้จาน ก, การทําจิตให้สงบที่เรียกว่าสมถะวิปัสสนาเนี่ยเรามักจะติดในยุดรูปแบบแต่ครั้ท ง, ทงที่สมถะในการการะทําอย่างไรก็ตามที่ทําให้จิตใจเราสงบจากนิวรณ์ทั้งห้าประการลงไปได้การการะทํานั้นก็เรียกว่าสมถะยืนก็ได้นั่งก็ได้เดินก็ได้ จะไม่ว่าอะไรดูสิจิตมีนิวรณ์หรือเปล่าในขณะนั้นทําไมมีนิวรณ์มรก็เป็นสมถะคือสงบให้จิตอยู่ด้วยกุศลวิปัสสนาก็คือการรู้เห็นอย่างแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงถึงสิ่งทั้งยตามกฎของประจัยลักษณ์ถามว่าการกฎใจลักษณ์เราท่องได้ไหมเราท่องได้ นี่จังทุกขังอันาตานี้ก็ท่งได้แต่ว่าการเห็นเนี่ยหมายความว่าตัณหามานาทิฏฐิต้องลดเพราะในตัณหามานาทิฏฐิเนี่ยเรามันเกิดขึ้นจากเข้าใจว่าเชี่ยงคืออัตตามันเชี่ยงอย่างเนี้ยอย่างที่เขาพูดเนี่ย อ, อ, อ, อ, อัตต อ, อัตตวาธานเนี่ยอัตตามันเชี่ยงแล้วเข้าใจความเป็นก็เชี่ยงแล้วความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของครอบครองทั้งหลายก็เชี่ยง วันก่อนได้ดูรายการคนค้นคนมีผู้เฒ่าอยู่8แปดสิบสี่ท่านปลูกต้นไม้ที่อะไรอำเภอพรมพิรามจังหวัดรู้สึกจะพิศุลโลกอนะมายี่สิบ้าปีเคร่งครัดมากเอาจิงเอาจังมากตั้งใจมาก แล้วก็วัดต่างๆท่านก็ปลูกรนไม้โดยต้องการบุญเพราะบุญจากการปลูกรนไม้นี่มันเป็นบุญที่ตลอดไปหมายความทุกซาทุกครั้งที่มีการใช้สอยประโยชน์จากต้นไม้ของคนของสัตว์ล้วนแล้วจะเกิดบุญแก่ผู้ปลูกทันะ้งนั้นเป็นสาธารณกุศลที่น่าทำนะนะ ส่งแสดงไว้เป็นพระกาถาในพระสูตรไม่ว่าจะ ก, การปลูกต้นไม้การสร้างถนนการสร้างสะพานการมาเป็นสาธารณประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นที่เกิดบุญอย่างต่อนเนื่องทั้งนั้นและเห็นว่าเรื่องนี้มันก็ต้องอาศัยปัญญาที่พิจารณาแต่เราจะใช้ร่างกายของเราเนี่ไม่เที่ยง ท่านบอกว่าไม่เป็นนี่เป็นสินใครมีอยู่มีกินก็พอแล้วไม่ต้องการอะไรขให้ไ้ทำบุญทำความดีแล้วก็ถือแบบโบราณเน่ยคือเวลาเข้าวัดไปเนี่ยมันติดอะไรติดเท้าติดมือมาเนี่ยคือท่านจะเอาไปชดเชย ท่านปลูกรดไม้อะไรที่ไปติดรถติดระอะไรของท่านเนี่ยท่านรวบรวมมาไว้แล้วก็ใส่ถังกใส่ถุงแล้วก็นําไปเ ท, ททิ้งในวัดคือไม่ยอมเอาอะไรมาจากวัดเป็นความคิดแบบโบราณนั่นนะฮะแต่ว่าคนในปัจจุบันเนี่ยจริงก็น่ากลัวคือบางครั้งบางคราวเราได้ข่าวอบอตในะที่บางแห่ง วัดมีการทอดกรินมีการทอดประปาเนี่ยอบตอไปเขามีส่วนร่วมส่วนแบ่งอย่างนี้ก็เออบาปกรรมกันเยอะเลยนะคนเราเนี่ยคือสิ่งเหล่านั้นมันเป็นสมบัติของวัดสมภารเองก็ไม่มีสิทธิใช้จ่ายเพื่อการส่วนตัวแต่ใช้จ่ายก็นในกิจกรรมของวัดแต่นั้นเองเพราะใ น, นจิตใจที่ละเมิดละไมเนี่ยมัน ตัณหามาหน้าทิฏฐินี่ต้องลดเพราะว่าเห็นว่าชีวิตเนี่ยจริงๆมันมันข้างหน้าเนี่ยมันน้อยแล้วการทำความดีแต่นั่นเองที่ยั่งยืนนะฮะก็ไม่ใช่นิรันดรหรอกแต่บางก็ยั่งยืนเพราะว่าเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปเป็นเครื่องอาศัยแต่ช่วงหนึ่งเราก็ต้องทิ้งเหมือนกัน แต่กว่าจะถึงวันนั้นก็อีกนานนะฮ ะ, ะ, ะตอนอาศัยก็อีกนานเพราะาถ้าเราลดตัญหามณฑิทิลงไปได้เนี่ยมันก็เป็นวิปัสนาเพราะฉะนาั้นจริงก็อยู่ตรงไหนก็ได้คือดูที่จิตเนี่ยว่าปัญหามณฑิทิมันลดลงไปไหมเพราะจริงๆพระศาสนาพุทธเนี่ยนะก็ไม่ใช่ศาสนาพูทเดีที่จริงคนทั้งโลกน่ะ ถ้าหากว่าปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเขาเกิดจริงมันก็คือเห็นความจริงนักกฎของมไสยลักกันนด้เพราะว่าปัญหาที่เป็นอัตตาที่ท่านเริ่มพระมหาจุนธาท่านเริ่มถามมาตั้ต้นเนี่ยมันก็คือมองเห็นว่าเขาเรียกว่าสักกายทิฏฐิก็เป็นความเห็นผิด เพราะถ้าจิตเราเป็นสมาธิทิฐิเนี่ยมันก็ไม่เห็นอย่างนั้นหรอกหน้าตาของท่านเที่ยงแต่เราเป็นสมาธิทิฏฐิเราไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็เป็นหน้าตาตอนจริงๆของเราเราก็ต้องทิ้งนะฮะความเป็นต่างๆนี่เราก็ต้องทิ้งแต่ความตัวตนของเราที่รู้สึกมันไม่เป็นตรูปจริงมันเป็นอนัตตา คือไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนคือไม่มีอะไรเป็นของเราจริงหรือเราเป็นอะไรจริงหรือว่าเป็นตัวเป็นตนจริงๆมันเป็นกระบวนการธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยมันก็เห็นไม่ปรสนะอย่างที่เคยบอกนะว่าถ้าบางทีในเรายึดติดในรูปแบบแล้วก็เรียกสำนักผู้ปฏิบัติธรรมก็เขียนสํานักแล้วก็วัดเนี่ยเป็นสํานักผู้ปฏิบัติธรรมคือเรารู้สึกแล้วรู้สึก ว่าทำไมต้องอวดทุกคนทุกคนเขาปฏิบัติธรรมแล้วทำไมต้องบอกแล้วก็ปฏิบัติธรรมอ่ะทุกคนก็ปฏิบัติธรรมคือเราเอาธรรมะไปผูกขาดธรรมะมันเป็นเรื่องสา ก, กลอย่างวันก่อนที่มีคนก็ถามปัญหาเนี่ยว่าการทดแทนบุญคุณของพ่อแม่เนี่ยต้องบวช <Okay. S 1> คืออย่าลืมมาทดแทนคุณบุญคุณพ่อแม่เนี่ยเป็นธรรมะมันเป็นสา ก, กล ไมไ่เกี่ยกับศาสนาพุทธหรือศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามพราหมณ์ซิกินดูอะไรเลยลูกทั้งหลายต้องปกตัญญูศา ส, สนาไม่เกี่ยวเราะแต่เราไปผูกขาดว่าต้องบวชแล้วลูกผู้หญิงน่าทำยังไงลูกคนศาสนาอื่นทํำยังไงเลยก็ไม่มีการบวชอย่างอิสลามเนี่ยก็ไม่มีการบวชเลยทำยังไง ก, ก็ลูกกตัอยู่เหมือนกัน มันธรรมะอย่าลืมอย่าผูกขาดอย่าให้เห็นว่าธรรมะเป็นเรื่องผูกขาดมันไม่ใช่เรื่องผูกขาดมันเป็นกฎธรรมชาติที่มีอยู่ในคนทุกคนเนี่ยก็เรียกยังไงก็ไม่รู้เ ร, เรื่องของเขาถ้าเราพูดดีตันดีได้เราก็เป็นการปฏิบัติธรรมาแล้วคิดดีตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ที่คิดดีเพราะฉะในข้อสุดท้ายสิงส่งเน้นว่า ความเป็นผู้ไม่รูปครามทิฏฐิของตนไอตรงเนี้ยทิฏฐิเป็นการรูปครามทิฏฐิแล้วก็ยติดแล้วก็ถือรั้นนะั่นนะถือรั้นในความเห็นตรงนั้นอ่ะ่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องเพราะงั้นเราจะเห็นว่าอย่างศึกสงครามต่างๆเนี่ยเป็นสงครามของทิฏฐิรูปครามโ<ม>ดทิฏฐิที่เกิดทงางศาสนาต่า ง, า ง, างๆก็ที่จริงรูปครามในทิฏฐิ คือไปยึดติดตัวศาสนาตัวเองคือความถูกต้องศาสนาคนอื่นคือไม่ถูกต้องแล้วลองสังเกตว่าในในสังคมพุทธเราเองเนี่ยสังคมพุทธเราเองก็ไปชี้ถูกต้องคนนั้นไม่ถูกต้องคนนี้ไม่ถูกต้องเมื่อก่อนก็มีคนโทรมามานิมนต์นะจริงแต่ว่าเขาก็ปรึกษาเรื่องที่จะให้ภิกษุณี รู้สึกชื่ออะไรละ่ะเป็นพุทธินิทไต้หวันที่เขามีเช่าอาคารว่องวานิษสํานักของโบนควนกงซานอะไรเนี่ยชื่อ อ, อะไรที่ไต้หวันก็ดังมากนะฮะพุทธินิไต้หวันคนเนี้แล้วเขาก็มาปาตกถาอธิบายเรื่องประภูธิสัตว์ในรัฐที่มหายานแล้วก็ต้องการจะออกอากาศทางยูบีซีเนี่ยเขาเขาไม่ยอม ก็กลัวว่าเขาจะขัดแย้งกับมหาเทรมามคมอันนี้คือการหลงประเด็นนะนะมหาเทระมคมไม่ได้ไปขัดแย้งกับภาพมีภิกษุณีของนิกายมหายานเพียงแต่ว่ามหาเทรมามคมไม่สามารถบวชให้ผู้หญิงไทยที่ต้องการบวชเป็นภิกษุณีให้เป็นภิกษุณีเท่านั้นเพราะไม่มีอำ น, นาจไม่มีหนา้าที่ไม่มีตําแหน่ง ประเทศไทยไม่เคยมีภิกษุณีมาตั้งแต่ต้นเพราะภิกษุณีจะบวชในประเทศไทยเองไม่ได้แต่ใครมีความเชื่อไปบวชมาจากที่อื่นแล้วก็ถือว่าตัวเองเป็นภิกษุณีเนี่ยเขาไม่ได้วชอะไรอันนี้คือคือความสับสนของของสังคมเมืองไทยเนี่มีภิกษุณีอยู่ตั้งนานแล้วนะภิกษุณีม า, ายานก็ประมาณสักสิบกว่าปีป่ะเนี่ย อย่างที่อะไรล่ะชกชัยสีคุณบราพรเนี่ยสื่อไทยบราพรเนี่ย <_ d ata> เขาก็ไปบวชมิสูรีมาจากไต้หวันเป็นสายมายานมีเกี่ยวอะไรกับมาเทมาคมแล้วก็ไม่ได้ขึ้นตรงต่อมาเทมาคมด้วยนะเพราะว่ า, าพระจีนนิกายนามนิก า, นนกาที่นี้ท่านรับรองหรือไม่รับรองเราก็ไม่รู้แต่ว่าถ้ารับรอง ก็อยู่ในการปกครองนะฮะขึ้นตรงต่อสมเด็จพระสังฆราชตําแหน่งเนี่ยเจ้าคณะใหญ่จีนในกายนํานิกายเนี่ยขึ้นตรงต่อตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชคือถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้มาตรการเป็นการลุกคลามงในทิฏเหมือนกันตรงนี้คณะสงฆ์ไม่ได้เกี่ยวนะคณะสงฆ์ไม่ได้ไปยึดมาในทิฏฐิคือไม่มีสิทธิ และทําไม่ได้นะแต่คืนไปบวชให้ก็ไม่เป็นพิกษุนีโดยชอบโดยด้วยอพระวินัยแล้วคนเหล่านั้นและแอดคนที่คิดว่าตัวเองเป็นพิกษุนีจะบาปเขาเรียกว่าไม่เป็นสมณีแต่ปฏิญาณตนว่าเป็นสมณีไม่เป็นสมณะแต่ปฏิญาณตนว่าเป็นสมณะก็เป็นการวิบวิที่หลวงโลกไม่ได้จาเป็นน่ะคนไม่จําเป็นอะไรเลยต้องบวชแล้วบวชแปลวเป็นบาป มันไม่มีรูปแบบอะไรเป็นบันปเพราะในพระบาลีจริงๆพระเจ้าแสดงคนไว้สี่ประเภทประเภทหนึ่งคือทรงใช้คำวันได้ขมากคือไม่ออกแปลว่าออกออกจากกิเลสนั่นแหละกล่าวโดยสรุปเนื้อหาสาระจริงๆก็คือออกจากกิเลสมันไม่ใช่ออกจากบ้านเพียงอย่างเดียวนะครับคือกายก็ไม่ออกวาจา ก, ก็ไม่ออก พวกหนึ่งกายออกแต่ว่าจิตไม่ออกพวกหนึ่งจิตออกแต่กายไม่ออกพวกหนงออกทั้งกายทั้งจิตไอ้แต่เนี้ยต้องบวชแล้วก็พวกวกายออกจิตไม่ออกเนี่ยคือรูปแบบรูปแบบของการบวชพวกออกทั้งกายทั้งจิตเนี่ยอันนี้คือคือการบวชแต่พวกจิตออกกายไม่ออกเนี่ยก็คือญาติโยมทั่วไปนั่นแหละเว้นบาปแล้วก็ก็ถือว่าบวชก็ถือว่าเว้นบาปแล้ว ก็าอย่าลืมอรรณหารสาระของความเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดในในพิจิตรเร า, า จ, จะพูดในโลกก็ได้นะแต่เราเฉพาะพูดกันแล้วกันคือต้องปฏิบัติให้ดีปฏิบัติให้ตรงปฏิบัติให้เป็นธรรมปฏิบัติให้เหมาะควรถามว่าเจ้าจงเฉพาะภิกษุไหมไม่หรอกทุกคนนั่นแหละ ลองครอบครัวสามีพัญญาไม่ซื่อตรงกันหลังหลุดออยู่ไม่ได้ถ้าคนปฏิบัติไม่ดีทำตัวไม่ดีเนี่ยอยู่ได้หรือปล่าคือบางทีในเราไปพูดผูกขาดไปหมดเลยขดบงอยู่ใกล้กกับโลกมีเฉพาะชาวพุทธมันไม่ใช่อะ่ะคือสากลศาสนาพุทธเนี่ยเป็นาศาสนาสากลธรรมะนั้นเป็นเรื่องสากล การลูกครัมในทิฏฐินี้ใครจะลูกครัมไปตามยุ่งทั้งนั้นแน่เห็นแม่แนแลที่ขอมนิดนันก็คือลูกครัมในทิฏฐิก็ถือว่าตัวเองในถูกตั้งแต่ในขณนะเดียวกันถ้าครั่งประชาธิปไตยแม่ก็ลูกครัมในทิฏฐิเองหรือแม้แต่เรายึดติดในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งในการปฏิบัติแล้วก็เป็นการลูกครัมในทิฏฐิ ที่บาลีเนี่ยท่านใช้คำว่าอิดัมเหรอว่าสัจจังโมฆะมันอย่างอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่าอื่นไม่ถูกต้องคนดื่นผิดหมดมันไม่ได้ผิดได้ถูกอะ่ะคือลดกิเลสได้ก็ถือว่าถูก่แต่ลดกิเลสไม่ได้ก็ถือว่าผิดมันอยู่ตรงดูดูที่ผลมันผิดจากอะผิดจากธรรมะไม่ใช่ผิดจากเราคือทําให้ให้ได้หลักอย่างหนึ่งคือเราจะเห็นว่า เ, ออเช่นสมมติว่าพระเจ้าสามารถล้างบาปได้หรือว่าพิพากษาโลกได้เนี่ยมันเป็นเรื่องความเชื่อคือไม่ใช่เรื่องความจริงแต่ว่าคนมันขยันอย่างฉลาดจาหาทรัพย์ได้เนี่ยอันนี้คือความจริงคือธรรมกใครก็ได้ในโลกนี้คุณนับถือศาสนาอะไรไม่เกี่ยว คุณก็ยันแต่คุณต้องฉลาดนะก็หาสต่าได้คนรุ่งทุกได้เพราะความเพียรคุณเป็นไครก็ไม่รู้คุณจะพ้นทุกได้ถ้าคนใช้ความเพียรแต่ในความเพียร น, นั้นมันต้องมีสติมีสัพพัญญะอยู่คุณเรียกยังไงไม่รู้แต่คุณอย่าเผล่นะมีเหตุมีผลนะมีสติปัญญาในการกํากับเราเรียกว่าสติปัญญาคนอื่นเขาเรียกยังไงก็เรื่องของเขา คือยังมองอยู่ว่าถ้าเราเข้าถึงสารัธรรของศาสนากันจริงๆโลกควรอยู่ร่วมกันอย่างสันติมันไม่ใช่เรื่องยากคือประทับใจถึงบรรพบุพรุษของจตุกูลบุญนากันนะคือเมื่อก่อนเนี่ยึกว่าตัวท่านชิกขมัดเองแต่บมื่อก่อนไปฟัง คนที่รู้เรื่องประวัติเนี่ยเขาพูดถึงรุ่นหลานเป็นรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมท่านเป็นคุณหลวงลืมชื่อสิละแล้วพวกเนี้ยที่สืบเชื้อสายมาต่อมาก็เป็นต้นตระกูลบุญนาคเป็นตระกูลบุญนาคพวกชีกมัดคนพี่นะสายของคนพี่ พระยอดทรงทำจะไปไหว้พระพุทธบาทที่สระบุรีท่านจะไปด้วยเพื่นก็บอกว่าคุณหลวงไปไม่ได้คุณหลวงหรือพระเนี่ยนะไปไม่ได้เพราะว่าเป็นแขกเอาถ้างั้นผมเป็นพุทธด้วยเป็นมุสลิมเนี่ยก็บอกคุณคุณเป็นมุสลิมมาไปไม่ได้ถ้างั้นผมเป็นพุทธด้วยทั้ก็ะพริกลิตรีเดียทั้งก็เป็นพุทธอะ แล้วก็เป็นตระกูลที่เคร่งครัดด้วยรับใช้แผ่นดินมาอย่างน้อยก็ห้าห้ากษัตริย์นะฮะ ห, ห้าแผ่นดินนะอ่ะอ้นี้ก็คือก็คื อ, คอเราจะเห็นว่าจริงจริงมันอยู่ที่ความคิดปัญหาเรื่องไอการรูปธรรมนทิฐิเนี่ยยึดมั่นอย่างมั่นคงไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ยอมคิดในแนวที่ว่าไอ้ น, นี่มันตรงกันไหมอย่ากจะเคยบอกว่า ศา ส, สนาเทวนิยมบอกว่าพระเจ้าได้สร้างสปปรรพสิ่งสปปรรพชีวิตในโลกศา ส, สนาพุทธเชื่อว่าโลกทั้งผองเป็นพี่น้องกันสปปรรพสิ่งเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแกส่สรรพชีวิตเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่จบตายด้วยกันถามมาโดยเนื้อหาเนี่ยถ้าเราปฏิบัติได้เป็นอันเดียวกันได้ไหมมันมีจุดพบกันที่การไม่เบียดเบียนนะะ แล้วการอยู่ร่วมกันในความเป็นมิตรไอ้สิ่งนี้เรียกเรียกเรียกว่าพาราดอร์ภาพเรียกว่าเสรีภาพเรียกว่าแม้แต่สมรภาพซึ่งยากนะมันก็เกิดขึ้นได้เกิดเป็นเรื่องที่น่าเสดายว่าเราเสียเวลาไปยึดติดแบบนี้ยทีเยอะแล้วก็สลัดทิ้งได้โดยยากเลยเพราะฉะนั้นงรับสั่งว่า ความเป็นผู้ไม่ลูกครามทิฐิของตนไม่ยึดถือมั่นคงและการสลัดทิ้งได้โดยง่ายเนี่ยมีไว้เพื่อดับกิเลส ข, ของบุคคลผู้ลูกครามทิฏฐิของตนยึดถือมั่นคงและสลัดทิ้งได้โดยยากเพราะเราจะเห็นว่ามีเรื่องเยอะที่เราพลิกจิตทีเดียวเนี่ยมันก็เป็นได้แล้วแต่ก็ไม่ยอมพลิ ก, ก ตัวนี้ถ้าเปินบรรยายให้พระฟังละมาจะพยายามพูดเรื่องนิกายนะบอกว่าเลิกไปยึดติดไอมรดกบาปตรวนี้ก็บักพักเถอะเลิกคิดได้แล้วแต่ว่าความเป็นนิกายมีไปเถอะไม่ได้ว่าอะไรเลยอย่าไปดูถูกกันเพราะว่าถ้าเรามองกันด้วยความเป็นนิกายเนี่ยคือเราจะเห็นว่าเราสอบตกระดับอินรีสังวรนะ อินทรีสังวรเราเกิดยินดียินได้เช่นเป็นทำยุทธไปเจอทำยุทธ ก, กันก็ยินดีไปเจอมานิการ ก, ก็ยินได้เมื่อมัได้แหละได้กิเลสทั้งยันได้กิเลสประเภทโลภะประเภทราคะประเภทโทสะสอบตกระดับอินทรีสังวรเราไม่ได้วิเคราะห์ในเรื่องเหล่านี้เราไม่ค่อยคุยกันในเรื่องเหล่านี้และ ย, ยิ่งในปัจจุบันแล้วคุยค่อนข้างเป็นระบบเจ้าขุนมุญนาย เป็นผู้บังคับบัญชามีชั้นยศ อ, อะไรต่ต่างๆยุ่งเลหมดเลยก็เป็นเรื่องที่น่าเสีดายทีนี้มาถึงตอนสุดท้ายตอนสรุปนี่นะรัตสั่งว่าดุก่อนจุนทะเหตุแห่งสันเลขาธรรมถือธรรมะเป็นเครื่องกัดเกลนะเราได้แสดงแล้วแข่งจิตตุปบัต เราแสดงแล้วเหตุแห่งการหลีกเลี่ยงเราได้แสดงแล้วเหตุแห่งภาวะบึ้งสูงเราได้แสดงแล้วเหตุแห่งความดับทุกข์เราได้แสดงแล้วด้วยประการฉะนี้คือเราเห็นว่าจริงๆพวกนี้มันเป็นเป็นจิตุปบาทมันขนาดจิตเชื่อศรัทธาความเชื่อกับความไม่เชื่อเนี่ยมันเป็นเรื่องขนาดจิตยานที่มีคนถามเมื่อวัน จันที่เท่าไรยี่สิบกว่าออไม่ถึงยี่สิบพี่ว่าคนให้ทานรักษาศีล น, นำต่อเนื่องตายแล้วไปตกนรก ด, ด้วยหลักแล้วเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าในกระบวนการกองกรรมนี่เป็นได้เพราะในในในกระแสของกรรมเนี่ยคือถ้าเราไปดูที่หมากำมีผังกระสูที่พระเจ้าทรงจำแนกไว้เป็นสี่ประเด็นโดยยกเอาประเด็นว่า สมว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาทําความชั่วอยู่ในปัจจุบันเนี่ยตายแล้วไปเกิดนรกก็ได้เกิดสวรรค์ก็ได้ถ้าเขาเกิดนรกเนี่ยจะเกิดด้วยผลกับกรรมชั่วนั้นแน่นอนแต่กรรมชั่วเมื่อไรกรรมชั่วชาติปัจจุบันหรือกรรมชั่วในชาติก่อนหรือชาติก่อนก่อนหรือชาติก่อนโน้นไม่รู้ว่ากันเป็นกรณีกรณีรณไปเห็นไหมก็กลายเป็นสองเป็นสองแจกทําดีในปัจจุบันก็เหมือนกัน เกิดนรกก็ได้เกิดสวรรค์ก็ได้ถ้าเขาตกนรกก็แสดงว่าอดีตกรรมที่เป็นบาปเนี่ยตามมาให้ผลหรือจิตเขาขุดมัวก่อนดับถ้าขุดมัวก่อนดับก็เป็นอาสานกรรมถ้าอดีตกรรมตามมาให้ผลมันก็เป็นอภราระเวทเนียกรรมคือกรรมที่ติดตามมานะกรรมที่ระบอให้ผลในชาติต่อต่อไปอะแหละในชาติ ชาติที่เราอยู่ในปัจจุบันที่จริงเป็นชาติต่อต่อไปของอดีตก่อนชาติก่อนๆชาติที่เราอยู่ปัจจุบันในจริงเป็นชาติต่อต่อไปของของอดีตชาติก่อนๆทีนี้ถ้าก็เกิดในสวรรค์ก็อาจจะเกิดเพราะความดีในปัจจุบันหรือความดีในอดีตหรือจิตผ่องแพ้วขึ้นในขณะก่อนดับก็ได้มันเป็นเป็นกรณีเป็นรายรายมันเป็นจิตตัวบาตรแต่ละขณะแต่ละขณะนี้ ว่าในการว่าจริงๆมันต้องมีความต่อเนื่องจิตเนี่ยต้องอยู่ด้วยธรรมะที่ต่อเนื่องถ้ามันเกิดไอ้กิเลสมันแทรกมันก็ก็ต่อสู้กันนะฮะขัดเกลอกันไปขัดเกลอกันมาทีนี้ก็ส่งแสดงการหลีกเลี่ยงการหลีกเลี่ยงเช่นว่าความไม่เชื่อเนี่ยหลีกเลี่ยงไปไปอยู่กับความเชื่อใชดหรืความ ไม่ละอายตบบาทเนี่ยก็ไปอยู่กับการละอายตบบาทเสียแต่ว่าในแง่ของกุศลนี่เราอยู่ตรงใดก็ได้เราอยู่ที่กุศลก็ได้การเพราะกุศลมีลักษณะเป็นธรรมรังสีมันไม่ได้ขัดเกลาเฉพาะกิเลสข้อใดข้อหนึ่งอย่างถึงจะยกตัวอย่างอยูอย่เสมอแล้วก็เราสวจสอ บ, บรูริทิที่จิตเราได้ง่ายเนะ่ยเช่นสมมติเราให้ทานเนี่ยทานมันก็กระจัดทั้งโลกทั้งโกฎทั้งโลก เพียงแต่เราไม่ค่อยไม่กเอามาพูดกันหรือว่าไม่ตรวจสอบดูที่จิตว่าการที่เราให้ทานเนี่ยมันเกิดจากปัญญาหรือศรัทธาแล้วก็สิ่งที่เราให้ได้เนี่ยก็แสดงว่ามันขจัดโลภะหรือมัจฉริยะออกไปแล้วคนที่เราให้ได้เนี่ยแสดงว่ามันขจัดโทสะออกไปลองตั้งสมมติฐานดูว่าถ้าเราเกลียดคนนีเน้เราจะให้ไม่ได้ แต่เราเสียดายสิ่งนี้เราจะให้ไม่ได้แต่เราไม่มีศรัทธาไม่มีปัญญาเนี่เราจะให้ไม่ได้เหมือนมาขัดสักนิดเดียวเนี่ยมันมั น, ม, นมันจิตมันจะเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงไปอยู่ที่กุศลอย่างน้อยก็คล้ายๆกราหลบร้อนไปอยู่ที่เงาไม้ยังไงมันก็ร้อนไม่จัดแล้วก็เหตุแห่งภาวะเบื้องสูงอย่างที่บอกนะว่า ทรงแสดงว่าเป้าหมายมันสูงนะเป้าหมายมสูงเป้าหมายเป็นดับตัวอัตตะอั ต, ตวาทะาหรืออัตตะสัญญาเึ็นคนดับได้มันต้องเป็นพระโสดา บ, บันขึ้นไปเพราะงั้นจึงทรงปฏิเสธแม้ระดับสมาธิแม้ระดับรูปฌานและระดับอรูปฌานว่ารูปฌานเนี่ยเป็นเพียงทิฏฐธรรมสุขวิหารทีนี้พอระดับ ที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสันเลขาเลยเลยอรูปฌานเนี่ยอรูปฌานเกิดไปก็สันเลขะไปเรื่อยๆจนถึงกับเป็นสันติสันติธรรมคือธรรมที่จะให้เกิดความส ง, งบไปโดยลําดับมันก็ขัดเราอะนะมายความมาถ้าขัดเราเกิเลสได้มันส ง, งบไปโดยลําดับแล้วก็จนถึงกะดับทุกข์ พอดับทุกเรื่อต้องเข้าไปที่อริยมรรคแล้วทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าแสงแสดงกุศลซึ่งกระจายออกไปจากอริมรรคแล้วแสดงอกุศลซึ่งกระจายออกไปจ า, ากมิจฉามรรคเนี่ยเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นหลักธรรมเป็นธรรมะถึง44บทอะไรกันบุตรวิายาวนะองค์งงธรรมเนี่ยค่อนข้างยาวมากแล้วก็ประเด็นที่สําคัญ ประโยคน์นี้ภัยรอนนะฮะเรื่องน์ี้อบกุนมากดูก่อนจุนทะกิจอันใดที่ศาสดาผู้สแสวงประโยชน์ผู้เอนดูผู้อนุเคราะห์เหล่าสาวกควรทากิจนั้นเราตถาคตได้ทำแล้วแก่เถิดทั้งหลายนี่คือศาสดาเป็นบรรยากาศที่อบกุนมาก เพราะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงทรมทั้งหมดนั้นเป็นอัตตะคือประโยชน์แต่ว่าทำยังไงจะเกิดประโยชน์กลุ่มวัตุกษัตริย์เนี่ยเราต้องกําหนดรู้ความจริงเขากลุ่มสมทุทรยศรเราต้องพยายามหลักกลุ่มในรอดก็ควรตั้งเป็นเป้เปาและกลุ่มมรรคควรจะดําเนินให้ได้อย่างน้อยระดับศีล คือว่าอย่าเพื้อนโครนมากกันแล้วกันถ้าเราอยู่ระดับศีลจริงๆเราเพื้อนน้อยนะเพราะศีลมันจะประณีต้วยตัวโดยศีลเองอย่างที่ยกย ก, ยกตัวอย่างว่าถ้าเราจับได้ที่ข้อหนึ่งข้อไหนก็ได้ข้อข้อปานาทิบาตก็ได้ข้อแม้แต่ข้อสุราเนี่ยนะฮะเพราะข้อสุราพัฒนาไปถึงมันเป็นสติเดี๋ยวข้อที่หน้าเนี่ยพัฒนาไปมันเป็นส ม, มาธิ โอ้สังคมไทยเราถ้างดเว้นศีลนะิทานาได้นะฮะปัญหาคอรรับชั้นปัญหาริษนาทารเร้นเอารัดเอาเปรียบช่อรัดบางหลวงสารพัดพิษ ท, ทั้งหลายนี่มันหายไปเลยนะเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราทําศีลห้าให้เป็นศาสนพิธีแทนที่เอาศีลห้าเนี่ยให้เป็นศาสนาปฏิบัติ เป็นศาสนาศึกษาคือคือสถานะของเขาเนี่เป็นศาสนาปฏิบัติเป็นศาสนาศึกษานะฮะเพราะว่าอยู่ในศีลเป็นศีลศิกขาดศีลศิขาก็ภาระของการศึกษาคือคําว่าศึกษาของพุทธเนี่ยมันหมายถึงการเรียนรู้ด้วยแล้วการปฏิบัติด้วยไม่ได้หมายถึงการตอบได้นะไม่ได้หมายถึงการตอบได้แต่หมายถึงการตอบได้ด้วยแล้วก็ปฏิบัติได้ด้วย แน่นอนเราทำให้สมบูรณ์ไม่ได้หรอกแต่สังคมนะ่ะขอเพียงศีห้าเท่านั้นขอเพียงเมตตาเท่านั้นอย่างนี้เราเรามองถึงว่ายุคสุโ ข, ขทัยเป็นรุ่งอรุณแห่งความสุขเป็นบรรยากาศที่คิดถึงและมันเย็น่ะมันสงบ แต่ถ้าเราดูหลักธรรมเนี่ยเราจะเห็นว่าเมตตาเนี่ยเป็นบุเรขาที่คือ น, นําไปข้างหน้าเลยเป็นสังคมแห่งพรดลรภาพทีนี้เมื่อพรดลรภาพมันเกิดเนี่ยไอภาพทั้งหลายเนี่ยมันจะเกิดไม่ว่าเราจะเรียกถึงอิสรภาพเสรีภาพสมภาพอะไรภาพจเรียกไปเถื่อกี่ภาพก็ได้เพราระจิตพรดลรภาพแต่จิตมันสงบ สงบจากเวรสงบจากภัยสงบจากอันตรายมองคนด้วยความเป็นมิตรหมดเนี่ยมันจะเป็นอันตรายได้ไงเกยบันบรายให้พระเขาฟังบอกสมมติวัดหนึ่งเนี่ยคือคนที่เป็นสมผานเนี่ยคิดได้ว่าพระทุกรูปภายในวัดเนี่ยคนทุกคนแม้แต่หมาแมวเนี่ยคือเป็นผู้ที่เราต้องอนุเคราะห์ ทำจิตได้ขนาดนี้นะฮะเต็มขอบวัดเนี่ยเต็มรั้วกำแพงวัดแล้วก็ค่อยๆแผ่ออกไปพรอนเอาก็จริงไอ้เมตตาที่เราแผ่เมตตามันก็แผ่เฉพาะสวดอีกอะสวดทุกวันน่นะแต่ว่าก็ยังมีการเป็นเราเป็นเขาอยู่ทีนี้พระเองก็มีความรู้สึก รู้สึกว่าเป็นเพื่อนสัปปะมาจารีทุกรูปเนี่ยเป็นเพื่อนสัปปะมาจารีกันที่ทรงสอนให้ตั้งเมตตาทางกายทางวาจาทางใจหลักการอยู่ร่วมกันเนี่ยเราเรียนมาตลอดแล้วก็วัดต่างๆ่างในสวดตลอดนะสารานิยธรรมสูตรเนี่ยสวดตลอดในรรษาก็ใช้สวดกันเพื่อสวดกลาเป็นเสกไปเลยพอสวดแล้วจบแล้ว ไม่ปฏิบัติธรรมะเป็นหลักปฏิบัติไม่ใช่สมับสวดนะคกิามาอยู่ที่สวดตั้งจิตปรารถนาว่าเพื่อนสัพพมาจารีผู้มีศีลนี่ยังไม่มาสู่อารามขอให้มาที่มาแล้วขออยู่เป็นสุขนี่อาปาเนียธรรมมันก็คือมองด้วยเมตตาที่มันแผ่ไปแม้แต่คนนี่ยังไม่มาเราก็ปรารถนาเขามามาแล้วเราก็ปรารถนาเขาอยู่เป็นสุขเราช่วยได้ ทางกายทางวาจาเราก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ทำใจปรารถนาให้เห็นเขาอยู่ด้วยความปกติสุขเริดเมตตาเนี่ยปรารถนาสารพัดในปัตตพีอมตรีแลกได้ดังใจจงนั่นคือความคิดทุกขสุขทไทยแล้วเราจะเห็นว่ามันก็ต่อกันมาได้เรเ่ียงแต่ในปัจจุบันมันเปลี่ยนไป มีความรุนแรงเยอะมากมองแล้วก็งงอะนะฮะมันใกล้ๆกับบรรยากาศสามจังหวัดที่อามาไปมันสามครั้งอนะแต่มาเองเป็นคนเฉยๆนะฮะคือคนที่ไปด้วยกันเนี่ยเขามีความรู้สึกว่ามันเงาเงามันซึมเศร้ามันเงาเศร้ามันลึกๆเนี่ยมันว่าเหวมันขาดบรรยากาศของความโปร่งเบา พม ร, รู้สึกอะไรมันอยู่ไมมรู้เกือแใกล้ๆกับมีมีภัยอันตรายรออยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อันทำท า, าให้บรรยากาศมันค่อนข้างเครียดไม่ค่อยสงบแต่ว่าคนที่อยู่ที่นั้นส่วนใหญ่เนี่ยยังคิดว่าเขาขค่อนข้างมั่นใจประโยชน์นี้จึงเัยรอกมากิจใดที่าศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์ ผู้เอนดูประโยคนี้รับสั่งก่อนนิพพานเราบส่อย่างนี้เหมือนกันนะกิจใดที่าศาสดาผู้เอนดูจะพึงทําต่อเธอทั้งหลายเหล่าสาวกแต่ถาคนได้ทําแล้วตอนปรุงประชน์มายุสังขารนะรับสั่งประโยคเนี้ยคือรกฟังเลยมันเย็นน่ะเย็นเข้าไปถึงใจรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภยัยรู้สึกมั่นใจอ่ะคนที่มองเราด้วยความมุ่งดีปรารถนาดี เป็นสุขจายาพระเจ้าเป็นสุขจายาแม้พุทธปฏิมาเนี่ยพุทธปฏิมาเราลองนั่งเพ่งดูเป็นผู้สแสวงประโยชน์ยังอยู่เป็นผู้เอนดูอนุเคราะห์เหล่าสาวกก็ ย, ยังอยู่แต่ฐาคตได้ทำแล้วแก่เธอทั้งหลายเต็แล้วก็สง่งส่งชี้ ทุกคนจุดท้ายนั่นควงไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งดูเถิดอย่าประมาทจะได้เป็นผู้มีความเดือดร้อนในการภายหลังนี้เป็นคำสอนสำหรับเธอทั้งหลายนี่คือบทสรุปน ะ, ะเดี๋ยวนี้ก็ยังสรุปอย่า ง, ง น, นั้นนเพราะนภารกิจของเราก็คือว่าไม่ประมาทเธอทั้งหลายจงเพ่งดูเถิด เพ่งดูเพื่ออะไรเพ่งดูที่จิตนะมันจะเพ่งดูต้นไม้ที่จริงต้นไม้ก็ดูได้นะฮะต้นไม้ก็ดูได้ใบไม้ก็ดูได้เพราะเป็นอารมณ์กรรมาฐานพิจารณาจากใบไม้ดอกไม้ผลไม้อะไรกิ่งไม้อะไรก็ได้คือธรรมะเนี่ยมันมีทุกขนทุกแข้งอะ่ะแม้แต่เหตุการณ์ข่าวคราวในหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยถ้าเรามองในมิติของธรรมะสมมติว่าเราเราพูดถึงธรรมะจากข่าวอ่ะนะ คือข่าวเนี่ยที่จริงมันเป็นการกระทาให้ดูในขณะเดียวกันก็สอนให้เรารู้แล้วในขณะเดียวกันก็มีการทํำให้ ด, ดูแล้วแล้วมอมองอดีตว่าทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเน่ยมันก็เขาก็อยู่ให้เราเห็นแล้วก็เย็นก็ร้อนให้เราได้สัมผัสเหมือนกันเพนั้นจริงๆแล้วในข่าวคลาวทั้งหลายในแต่และ ว, วันโอ้ยธรรมะเยอะมาก สะท้อนธรรมนะฮะเป็นการสะท้อนธรรมที่เห็นว่าเป็นรูปธรรมมันเป็นวิธีของกุศลนะกุศลเปลี่ยนทัศนคติส่วนใหญ่มันมักจะเสนอในแนวความกุศลเพราะจิตคนมักจะถูกครอบงำด้วยกุศลมากกว่าถูกปรุงแต่งด้วยกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าผู้เสนอเองก็รู้สึกสะใจที่ได้เสนออย่างงี้เพราะว่ามันมีการสนอง ตาข่าวพาดหัวว่ามีการเชิญชว น, นพุทธศาสนิกชนให้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมให้รักษาศีลคนไม่คว่ำแต่ถ้าพูดถึงเอาศีลแต่ละข้อที่เขาละเมิดเนี่ยมาพูดนะพูดถึงข่าวการฆ่ากันากนารลักการขโมยการช่อราดบังหลวงการคมขืนกระทาชําราโอคนติดตามกันใหญ่ข่าวพาดวนตัวไม้เลยนะฮะ แล้วเราจะเห็นว่าตัวไม้ตัตัวไม้ที่หน้าหนังสือพิมพ์มันไม่มีอะไรคือคนที่ผิดที่หน้าเพราะสังคมจึงสงบไม่ได้เพราะว่ารับสารที่ไม่ไม่ช่วยให้สงบแล้วคนก็ไม่สามารถวินิจฉัยตัดสินอารมณ์เหื่อ น, นั้นได้ต้องฟังอลายเสียงธรรมจากมหาอุทไลัยศีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรม ต้งมีแลท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี